ไม่เห็น้าปัญหาที่ห้าพุทธะอวิเหตะกะปัญหาในสันทววักเนี่ยนะพระเจ้าไมลินกรับเรียนถามพระนาคเกษว่าพระคุณเจ้านาคเกษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาะสิทธิความข้อนี้เอาไว้ว่าปุเพวาหังมรุสภูโตสมาโนสัตตานังอวิเหตะกะชาติโกอโหสิในลักขณะสูตร พระองค์บอกว่าดูความพิสูจทั้งหลายในการก่อนนั้นเทียวเราเกิดเป็นมนุษย์นะหรือเราเนี่ยเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายจึงได้มหาปริศลักษณะเช่นกายของพระองค์เนี่ยกายตรงไม่งอไม่โคง้งอะไรเนี่ยนะคือมหาปริศลักษณะหลายส่วนเลยได้มาเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์แต่เพราะถ้าไร่เพราะถ้าเราเบียดเบียนสัตว์นี่เราจะเบียดเบียน ขณะที่เราเบียดเบียนสัตว์เนี่ยท่าทางของเราเป็นยังไงนั่นแหละกรรมมันจะให้ผลแบบนั้นแหละอย่างบางคนเนี่ยเวลาเบียดเบียนสัตว์สัตว์บิดเบี้ยวเป็นต้นใช่ไหเวลากรรมมันให้ผลมันตัวก็บิดเบี้ยวเลยนั่นนะมันก่อนไปเห็นที่เมืองพาราณสีไปไหว้พระที่ที่วัดศรีลังกาอมันบิดเบี้ยวอย่างก็ว่าใครไปจับบิดให้มันเบี้ยวเป็นแล้วไปไหนก็ต้องลากเท้าแบบอะไรนะสุนัขหลังหักนะคล้ายๆแบบนะั้นก็ต้องลากตัวไปแบบนั้นแหละ แต่ว่าถ้าผู้ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะทำให้มีร่างกายเนี่ยสมส่วนเหมาะสมแล้วก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะอายุยืนเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ที่หนึ่งนะพระองค์บอกเลยพระองค์บอกพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยนอดีตชาติเนี่ยพระองค์ไม่เบียดเบียนสัตว์นะแต่ยังกล่าวไว้อีกว่ากล่าวไว้ในชาดกว่าเนี่ยโลมกะสโปนามะอิสิสมาโนอเนกสเตปาเนคาตยิตวา วาชเปย์ยังมหายันยังยาชีว่า ง, งั้นเราเป็นฤาษีชื่อว่าโลมกัส ป, ปะได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชาวาชเปยยะมหายันนเเอมันขัดกันนะบอกว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์บอกว่าเนี่ยได้ฆ่าสัตว์นี่ยังไงกันพระคุณเจ้าหน้ากเกษต ถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าในการก่อนเราเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาไม่เบียนเบียดสัตไม่เบียดเบียนสัตทั้งหลายจริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่บอกว่าเราเป็นฤาษีชิวโลมักกะสปะได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชาวาชปะยะมหายันอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าหากว่า พระองค์เป็นนะพระองค์ตอนที่เป็นโลมกัสปะฤศีได้เป็นผู้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชาวาชปยะมหายันจริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าในการก่อนนั่นเทียเราเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาไม่เบียนเบียดสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ถูกต้องนะบอกว่าเอ๊ะมันขัดกันนะบอกว่าฆ่าสัตว์บูชายันอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งบอกว่าไม่เบียดเบียนสัตว์มันขัดกันนะปัญหามีมีสองเงื่อนสองปมที่มันขัดแย้งกันเอง ตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถอะถ้าคนไม่แตกฉานจริงๆเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะเอ้มนเออนะีมันเห็นด้วยเลยว่ามันขัดกันเนี่ยนะยกมาให้เห็นว่ามันขัดกันชัดๆอย่างนั้นแต่พระนาเกษนก็คือผู้ที่เกิดมาประดุดฝั่งพระเจ้ามิลินถึงจะมีปัญญาประดุดคลื่นขนาดไหนคลื่นอย่างไรก็ไม่เลยฝั่งนะพระนาเกษรก็มีปัญญาประดุดฝั่ง ธนาเกษนก็ตอว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าในการก่อนนั่นเทียวเราเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาไม่เบียนเบียนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจริงและพระองค์ตรัสอีกว่าพระองค์เป็นโลมกัสประรือีฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชาวาชประยะมหายานเนี่ยจริงแต่ข้อแต่ว่าข้อที่ฆ่าสัตว์หลายร้อยนั้นน่ะเพราะทรงเป็นวิสัญญี วิสันยีปแปลภาษาไทยว่ากรตอนนั้นอ่ะข่าเพราะความบ้าไม่ใช่มีจิตใจปกติอะไรตอนนั้นเนี่ยบ้าเทาว่าวิสันยีปแปลว่าเพี้ยนไปเนี่ยนะไม่ปกติขณะนั้นอยู่ในสภาพคนไม่ปกติเป็นคนเลอะเลือนเป็นคนฟัน่นเฟือนกระทําด้วยอำนาจความเมาด้วยอานาจราคะทำไปหาได้มีเจตนาทำไปไม่ไม่ได้มีเจตนาแบบแบบคนเมาเหล้าอารวาสอ่ะนะคล้ายแบบนั้นแต่นี่มันเมาราคะเลยอารวาส พระเจ้ามิลินก็เลยกล่าวว่าพระกุญเจ้าหน้าเกษตรบุคคล8ดจำพวกเหล่านี้ย่อมฆ่าสัตว์นะนะปกติในโลกเนี่ยนักฆ่ามีอยู่แปดกลุ่มด้วยกันเขาแบ่งได้เลยนะกับเพราะเหตุผลที่ฆ่าเนี่ยรวมๆแล้วมีอยู่แปดกลุ่มด้วยกัน8ดจำพวกอะไรบ้างหนึ่งคนกำหนัดฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจราคานะเพราะตันหาเป็นเหตุให้ฆ่าอย่างที่สองคนเกลคนโกรธเคืองย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจ โทสะเนี่ยนะเรียกว่าบรรดาโทสะเลยค่าที่สบอกคนหลงฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจโมหะความโง่เขางมงายเนี่ยนะแล้วคนมีมานะถือตัวฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจแห่งมานะเนี่ยนะด้วยความพยองด้วยความเมามันเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็คนโลภฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจแห่งความโลภคนขาดขาดแคลนอาหารเนี่ยนะก็ฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพ ส่วนคนพาลคนคนพาล น, นี่แปลว่าคนคนแบบไม่มีปัญญาอะไรเลยเนี่ยนะย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจความสนุกสนานหรือฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจความไม่รู้เพราะความเป็นคนพาลส่วนพระราชาย่อมฆ่าสัตว์โดยเป็นกฎวินัยเป็นกฎหมายเป็นมากของกฎหมายเป็นกฎวินัยเ น, นียเนน่ยนะ พระคุณเจ้าหน้ากเกษบุคคลแปดจำพวกเหล่านี้และย่อมฆ่าสัตว์นะคนในโลกนี่มันก็อยู่แปดกลุ่มเนี่ยนะที่ฆ่าสัตว์ก็ด้วยเหตุผลในหนึ่งในแปดนั่นแหละไม่อันใดก็อันหนึ่งพระคุณเจ้าหน้ากเกษก็เป็นอันว่าพระโพธิสัตว์ทําการฆ่าสัตว์เป็นปกติก็เนี่ยมันก็เนี่ยเห็นไหมคนกําหนัดฆ่าสัตว์เพราะราคะมันก็ถูกต้องไม่เห็นผิดอะไรนี่จะว่าเพี้ยนวิปริตวิปลาสพัดเพี้ยนไปได้ยังไงแบบนั้น พนาเกษร์ก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิธพระโพธิสัต้ น, นหาได้ทำการฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่ไม่ใช่ฆ่าโดยปกติวิสัยไม่ใช่ฆ่าแบบคนจิตใจเหี้ยมโหดอั ม, มหิตโดยเรียกว่าไม่ได้ทำเพราะอะไรนะเพราะเพราะอัธยาศัยนะจะใช้ภาษาไทยมันก็หนักไปหน่อยขอถวายพระพ ร, พรถ้าหากว่าพระโพธิสัตพึงน้อมใจในการทาการบูชายันโดยปกติไซ พระองค์จะไม่ตรัสคำนี้เลยคำคำนี้คำไหนคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระราชาเนี่ยก่อนที่จะไปยุให้มามาฆ่าสัตว์ในครั้งหลังเนี่ยส่งส่งอมาลเนี่ยไปเสนอไปเสนอจะยกทรัพย์สินให้โดยมากมายเลยแหละขอให้ท่านฆ่าสัตว์ครั้งเดียวก็พอนะซึ่งพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าดูก่อนสยะ ขอจงรู้ไว้อย่างนี้เถิดว่าบุคคลไม่พึงปรารถนาแผ่นดินอันมีมหาสมุทรแวดแล้อมมีสาครเป็นดุจตุ้มหมูพร้อมกับการนินทาหมายคือว่าเราไม่ต้องการราชสมบัติเราไม่ต้องการแผ่นดินโดยมีทะเลเป็นขอบเขตเพราะการฆ่าสัต ก, กลับมาซึ่งคนจะว่าร้ายเราในตอนหลังคนตั้งว่าเนี่ยนะฆ่าเข้ามาจึงได้ตําแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเราไม่ทำหรอก ขอถวายพระพรพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้คือพระโพธิสัตว์ไม่มีเหตุผลใดที่จะทำบาปเพื่อต้องการสิ่งใดแต่ก็เพราะว่าเพราะอะไรเพราะทันทีได้ไดเห็นนางจันทวดีราชกัญญาก็มีจิตฟุ้งซ่านกำหนัดถูกความเลอะเลือนครอบงำวุ่นวายแล้วก็สับสนพอ พอฟุ้งซ่านเละเลือนสับสนวุ่นวายชันเสื่อมไปเลยนะปกตินี้ได้ชานเสื่อมพอเห็นานางจันทวดีราชกัญญาแค่นั้นแหละเพี้ยนเลยก็เลยได้บูชาวาชปะยะมหายันอันเป็นกองเลือดจากคอของสัตว์มากมายหมู่ใหญ่ที่ถูกฆ่าด้วยจิตที่ฟุง้งซ่านฆ่าด้วยจิตที่พลุ่งพล่านวุ่นวายนั้นขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าคนบ้ามีจิตฟุง้งซ่าน ย่อมเหยียบกองไฟที่ลุกโคลงร้อนแรงบ้างขณะที่ไม่ปกติเนี่ยนะขณะที่ลมบ้าหมูกําเริบใช่ไหมอย่างที่เมื่อไม่นานมานี้เท่าไหร่มีผู้หญิงคนหนึ่งทํากับข้าวกําลังทอดอาหารพอดีเลยน้ํามันเนี่ยน้องๆ้อ ง, องกึ่งกระทะนั่นแหละลมชักมันกําเริบก็เลยเอาหน้าเนี่ยจุ่มเข้าไปในน้ํามันในกระทะเดือดนั่นแหละอันนี้ก็เมื่อไม่ไม่นานนี้เองปีนี้ปีปีสี่หกนี่แหละก็นะคิดดูว่า เนี่ยปกติเนี่ยคนบ้าสา ม, มารถที่จะเป็นอย่างนั้นถามว่าคนปกติเขาจะทำอย่างนั้นไหมก็ไม่ทำหรือคนบ้าเนี่ยนะย่อมจับอสรพิษที่กาลังกโกรธบ้างเห็นงูมันน่ารักดีก็เลยไปจับเอาจับเล่นเนี่ยนะหรือคนบ้าก็ย่อมเข้าไปหาช้างตกมันบ้างคนบ้าก็ย่อมเล่นลงไปสู่มาหาสมุทรอันกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่งบ้างคนบ้าเนี่ยนะย่อม เรียกว่าย่ำบ่อ น, น้ําครลำบ้างไม่รู้ว่าโคลอนอะไรก็เดินลงเลอะเทอะไปหมดหรือว่าคนบ้าก็ย่างเหยียบแท่นน้ําไปบ้างไม่รู้ว่าอะไรเป็นน้ําเป็นที่เสียหายหรือว่าคนบ้าพลาดตกลงไปในเหวก็ได้หรือคนบ้าสามารถที่จะกินของส ก, กปรกก็ได้นะตอนนี้เราก็ค่อนข้างเห็นบ่อยใช่ไหมก็ตามอะไรนะเก็บขยะข้างทางกินเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่าคนปกติเขาทํำไหมไปรื้อกองขยะเนี่ยนะหาเศษอาหารรับประทานเนี่ยเขาก็ไม่ทําอยู่แล้ว คนอนะคนบ้าบางทีก็เปลือยกายเที่ยวไปตามถนนบ้างหรือคนบ้าเ น, นี่ยนะย่อมทากิริยาที่ไม่สมควรอย่างอื่นๆหลายร้อยอย่างบ้างฉันใดขอถวายพระพรพระโพธิสัตว์ทัน ท, ทีที่ได้นางเห็นนางจันทวดีราชกัญญาก็มีจิตฟุงซ่านกำหนัดถูกความเลเลือนครอบงำวุ่นวายสับสนได้บูชาวาชัยยะมหายัน อันเป็นกองเลือดจากคอของสัตว์มากมายมูใหญ่ที่ถูกฆ่าด้วยจิตฟุ้งซ่านพลุงพล่านวุ่นวายฉะนั้นเหมือนกันคือตอนนั้นอ่ะจิตใจมันไม่ปกติเพราะคิดว่าถ้าฆ่าแล้วจะได้นางจันทวดีอย่างที่ตัวเองต้องการไอ้ที่ฆ่าก็ฆ่าไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ต้องการจริงอะไรก็ทาเหมือนว่าทาให้มนันผ่านไปจะได้ไปหานางจันทวดีเท่านั้นเอง ขอถวายพระพรบาปที่ผู้มีจิตฟุ้งซ่านทำไม่เป็นบาปที่มีโทษมากแม้ในอัตภาพนี้ น, นะเช่นเดียวกันเนี่ยนะบาปที่คนมีจิตฟุ้งซ่านทำไม่เป็นบาปที่มีโทษมากแม้โดยการให้วิบากในภายภาคหน้าคนบ้าทำบาปเนี่ยนะบาปไม่มากทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพ น, น ะ, ะทีนี้ก็เลยเปรียบให้ทางโลกว่าขอถวายพระพรอตาตมาขอถามว่า คนบ้าบางคนในพระนคร น, นี้ทําความผิดพระองค์จะรับสั่งให้ลงโทษเขาหรือไรขอถวายพร ะ, ะพระเจ้ามิเินก็ตอบว่าจากมีการลงโทษคนบ้าได้กระไรแล้วข้าพเจ้าก็สั่งให้ตีแล้วก็ไล่เขาไปแค่นั้นเลยไปทาอะไรเขาเพราะอะไรก็เพราะเป็นคนบ้านะก็นี่แหละลงโทษกล้ตีเขาแล้วก็ไล่ไปให้ไกลๆแค่นั้นแหละไปทําอะไรเขาเมื่อไม่นานวันนี้เองพี่นี่แหละเขามี ยายคนหนึ่งไม่ปกตินะเป็นคนบ้าวันนั้นน่ยมดมันเยอะยุงก็กวนแกก็เลยจุดไฟเผาป่าเพื่อไล่ยุงไล่มดมันก็ไหม้ลามเกือบจะไหม้ทั้งอำเภอเนยะนะไฟฟ้าดับไปหมดทั้งอำเภอเลยเสร็จแล้ววัด ทากันใหญ่ว่ามันวางเพลิงกันยังไงอะไรยังไงก็สืบสาวเล่าเรื่องไปก็ไปเจอยายบ้าคนเนี้ยอายุมากแล้วพร้อมก็หรองใช่คนเดียวนะไม่มีใครดูแลก็บ้านอยู่ท้ายอําเภอแต่แบบว่ามันเป็นช่วงอฤดูแรงที่ที่หญ้ามันแห้งมากมดมันกวนกับยุงมันกวนกันก็เลยจุดไฟไล่มดไล่ยุงเนี่ยนะแค่นั้นแหละเพราะแล้วมันก็ไล่ไม่ลามจนไฟดับทั้งอําเภอเลยนะช่วยกันดับไฟกันเรื่องราวใหญ่โตเลยแหละ เสร็จแล้วก็จะไปว่าอะไรตารวจก็สอบสวนไปสอบมาก็บอกคนบ้าบอกฉันเผาเองเพราะงั้นซึ่งปกติมันเสร็จแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยายไปตามทาง้องยายเจอว่าเรื่องใหญ่แต่ว่ามันกลายเป็นคดีไม่ทําอะไรไม่ได้เนียนะจะไปเรียกค่าปรับไม่รู้จะปรับว่ายัางไงแกก็บ้าอยู่แค่ว่ากับกบเพิงม้าแงนอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ที่คนสงสารก็ทําให้แกอยู่เท่านั้นเองอย่า น, นัแต่ตอนที่ไฟไหม้แกก็กลัวนแกก็มาคอยดู ในเรื่องจริงนะีไม่นานนี้เองเพราะฉะนั้นขอถวายพระพรสําหรับคนบ้าเนี่ยนะย่อมไม่มีการลงโทษในเพราะทําความผิดที่เขาทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นโทษแม้อ่่อโทษรรทษมมนรีบาอไนบันมมนททบบดด้ฉใขถวายพระพรโลมกัสปารืีที่ได้ทันทีที่ได้เห็นนางจันทวดีราชกัญญาก็มีจิตฟุ้งซ่านกําหนัด ถูกความเลอะเลือนครอบงำวุ่นวายสับสนตายได้บูชาวาชัยยะมหายันอันเป็นกองโลหิต จ, จากคอของสัตว์มากมายหมู่ใหญ่ที่ถูกฆ่าด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านพลุ่งพล่านวุ่นวายนั้นแต่ว่าในคราวที่ท่านเป็นผู้มีจิตปกติกลับคืนท่านก็บวชใหม่เสร็จแล้วก็ทำอภิญญาให้เกิดขึ้นได้อีก ครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชนนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็มันไม่ได้ทําด้วยอัธยาศัยจึงชําระใจแป๊บเดียวก็เจริญฌานบรรลุเป็นได้ฌานก็เกิดในพรหมโลกแต่เรื่องนี้ถ้าผู้ตามในในชานดกก็ขัดกันเล็กน้อยเนี่ยนะที่จริงเขาบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วถึงขนาดเป็นบ้าเลยเนี่ยนะเขาก็มนะีในชานดกอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าเรื่องนางอุ ม, มาทันตี นางอุมาทันตีเนี่ยเป็นไม่รู้ว่าเกิดมาอาภัพอะไรไม่ทราบนางก็เลยทำบุญถวายผ้าดอกคําถวายผ้าดอกคําแด่พระอระหันต์เสร็จแล้วนางก็ตั้งความปรารถนาว่าชายใดที่เห็นนางก็่าขอให้อยาได้อยู่ในอาการปกตนะิก็คือเห็นแล้วก็คือใจไม่ปกติเลยอย่างนั้นเถอะบอกว่าทานข้าวเอาข้าวใส่หูอย่างเงี้ยก็มีเรื่องเขามีเรื่องนางอุมาทันตีในอุมาทันตีชาดกพันก็ อดีตชาติของนางอุบลวันนานี่แหละก็เลยมีอยู่ชาตินึงนะเกิดเป็นคนโจรมากผ้าจะแบบผ้าสวยๆจะใช้กับเขาก็ไม่มีก็เลยไปรับจ้างรับจ้างได้ผ้าดอกคํามาผืนหนึ่งทีนี้ช่วงนั้นมีพระพิสุรูปหนึ่งผ้าท่านถูกโจรชิงเอาไปนางก็เลยถวายผ้านะั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพราเกิดมาชาติหลังเป็นลูกมหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยนะก็งามมากถึงขนาดว่าใครเห็นก็เพี้ยนไปหมดเลย เสร็จแล้วก็ก็อยากจะยกะเศรษฐีผู้บิดาก็อยากจะยกถวายพระราชาคือพระโพธิสัตว์ทีนี้พระโพธิสัตว์ก็เอาคนไปตรวจ ด, ดูซิว่าเอาเป็นเมนสีได้ไหมอะไรไหมไอ้พวกพรามก็ไปไปถึงก็เขา ก, ก, ก็จัดอาหารเลี้ยงเลยเลี้ยงอาหารก่อนแล้วก็ขณะที่กำลังทานอาหารอยู่นั่นแหล ะ, ะนางจันทวดีก็นางอุ ม, มาทันทีก็มา พอมาถึงไอ้พวกนี้ก็กินข้าวผิดกินข้าวถูกนางก็เลยไล่ตะเพิดกลับไปหมดไอ้พวกนี้เสียหน้าก็เลยไปบอกพระราชาว่าเออเอามาแต่งเข้าวังไม่ได้นางเป็นหญิงกัลยณีพระราชาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเสร็จแล้วก็เสนาบดีของพระราชาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพระราชาก็ที่เป็นเสนาบดีก็แต่งงานกับนางอุมมาทันตีเนี่ยก็คืออดีตชาติพระสารีบุตรแล้วก็วันหนึ่ง ท่านก็อยากจะเที่ยวประภาสประภาสสวนเอ่อแบบชมเมืองนะกษัตริย์โบราณนี่จะขี่ช้างชมเมืองปกติเขาเมื่อเมื่อไม่นานเนี่ยไปที่อินเดียเนี่ยที่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีภาพภาพเป็นภาพกษัตริย์ชมเมืองเหนกนเถอะขึ้นแบบขึ้นแบบแบบที่เรียกว่า อะไรนะประทักษิณพนาคนเนี่ยนะจะขึ้นช้างมีทหารมีกองทหารมีกององครักษ์มีพระราชบริพานเข้าเฝ้านะรูปรูปอันนี้ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันที่เขาเขาก็วาดภาพว่ า, วาสมกรรษัตริย์โบราณเขาทําอย่างนั้นเสร็จแล้วมันเป็นช่วงนี้พอดีเลยพระราชาก็ประพาสขอช้างทีนี้เสนาบดีนี้ก็บอกภรยาไว้แล้วบอกเธอเธอย่าขอร้องเทนะสาหรับวันนี้ยังไงก็อย่าเปิดหน้าต่างชมพระราชานะไม่งั้นพี่เดือดร้อนแน่ เสร็จแล้วก็นางก็จักแกล้งพระราชาคือหาเรื่องจักแกล้งพระราชาเนี่ยพระราชามาหาว่าเราการละกัีได้ไงก็เลยจักแกล้งพระราชาก็เลยเปิดประตูให้พระราชาเห็นหน้าพอพระราชาเห็นหน้ากก็เพ้อไปเลยนนะง่อยไปเลยแล้วก็ชวนกันกลับวังดื้อๆอย่างนั้นแหละกลับวังบอกเธอสั่งคนสนิทบอกไปดูสิว่าเธอมีสา ม, มีหรือยัง เส็จแล้ในที่สุดก็เพอ้อหยุดเพียนอยู่ตั้งเป็นเป็นวันๆเนี่ยนะเป็นหลายวันจนถึงขนาดว่าเสนาบรีมาบอกยกให้อะไรเงี้ยแต่ว่าท่านก็ยังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างในที่สุดท่านก็บอกว่าออของใครก็เป็นของคนนั้นไป น, นะจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่เอาว่างั้นเถอะมันก็รักษาศีลของท่านอ่ะนะแต่ทั้งๆ ท, ที่สมัยนั้นอำนาจพระราชาเนี่ยยิ่งใหญ่มากมันก็ไม่ทํามันก็คือบางคนเนี่ยเป็นที่ตั้งว่าบางคนนี่เห็นแล้วก็บ้าจริงๆเลยแหละ อันนั้นหรับไม่ทราบพรอันนแต่ว่านางนั้นตั้งความปรารถนามาให้คนอื่นมองเห็นละบาเลยเนี่ยนะสงสัยว่าอาดีตชาติเราก็กแอบนึกในใจนะอภพรักมาหรือเปล่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนกันนะผู้ชายคนหนึ่งอ่ะหลานของอนาถาเนี่ยนายกาละเนี่ยชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเรียกนายเวลา ทีนี้กอดีตชาติก็เป็นนักมวยนะนะเป็นนักมวยแล้วก็เอาดอกไม้ไปบูชาไปเจดีตั้งความปรารถนาะบอกยิงใดที่ไม่ใช่ญาติเห็นข้าพเจ้าแล้วจงงงวยอะไรก็ว่าไปแล้ว ก, ก, ก็ทำบุญอย่างนั้นพอชาติหลังมานี่ก็ผิดกาเมมาเยอะมากเลยทีนี้พระราชาจะสั่งเอาไปตัดหัวก็เกรงใจอนาถ ว่าทำยังไงไม่ถูกจนอนาถาเนี่ยพาเอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วจึงเป็นพระโสดาบันคือบางคนนี่มันก็ตั้งความปรารถนาอะไรวิจิตพิสดารแปลกประหลาดเยอะแยะไปหมดเลยว่ากลุ่มนี้ก็มีอยู่ในโลกะนะพันอย่างอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยตำนานพระพิโสเนี่ยเล่าไม่จบไม่สิ้นในชาดกเนี่ยไปบินทบาทแล้วก็ไปเจอบางคนกลับมาเข้าบูตรในบาทอันนี้ก็มีอยู่ลหลายเรื่องด้วยกันอย่างอะไรนะนางสิริมาใช่กรณีนางสิริมาที่เมืองราชชเครศนั่นก็เหมือนกัน ไปบินทบาตพระพิสูรรูปหนึ่งได้ข่าวความงามก็อยากจะไปเห็นหน้านางพอเห็นเสร็จแล้วก็กลับมาข้าวบูดในบาทเจ็ดวันนั้นก็ไม่ยอมฉันเลยอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยนะนอนคิดถึงเจ็ดวันเอมางงว่าทำได้ยังไงไม่ทราบแต่ว่าอย่างนี้ก็มีอยู่นะ แต่ว่าของมานึ่ในใจสมัยปัจจุบันไม่ทราบว่ามีแต่ก็มีนะครัพวกไปกระโดดน้ําตายด้วยกันพวกอะไรด้วยกันมีไม่ใช่น้อยๆเลยเนี่ยนะแค่ว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเองนะครับเป็นผู้ใหญ่สักหน่อยก็ไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแปลว่าเซิงเหล่านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความเรียกว่าความเพอ้อความฝันความบ้าความงงงวยอะไรอย่างที่ว่าพันฤาษีตอนนั้นเนี่ยนะก็อยู่ในสภาพเรียกว่าคนไม่ ปกติเมื่อคนไม่ปกติเนี่ยนะก็ทําบาปแล้วก็ย่อมมีบาปน้อยอนะเป็นบาปที่สามารถแก้ไขได้เนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นจิตใจเลวอะไรแบบสมบูรณ์ถึงเรียกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้เลยพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าออ พ, รพระพระโพธิสัตว์ตอนที่ฆ่าสัตว์ตอนนั้นเนี่ยถือว่าฆ่าด้วยจิตใจที่ไม่ปกติไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะก็ตกอยู่ในสภาวะของคนบ้า ส่วนในอัธกถาเนี่ยนะก็อธิบายตามแนวชาดกซึ่งเป็นการจับประเด็นวิธีเล่าอีกวิธีหนึ่ง